ให้จะส่งกันบ้านเช่นมันมันทำเองเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวที่เคลืนไหจิตเนี่ยทำงานทุกวั่นคือไม่เทียไม่ไม่เกอยู่ในภาวะแมนแลวเราก็เห็นว่ามันทำงานเองไม่ใช่เราทำงาน แล้วรู้สึกอย่างไรขนานี้รู้สึกว่ารู้ตัวหรือยังยไม่เต็ทีนะใช่ลดความจุใจทลงจุใจมากไปยจิตธรรมดาจิตมีโมหะหรือเล่าไหมจิตมันมัวหรือเปล่าไหมีโมหะรู้นั้นแล้วจะทายังไงดี ไมไปได้ตามดูดูเหมือนเห็นคนอื่นมีโมหะต้องหลงนะหลงแล้วรู้สึกไรหลงทุกวันลงไปทางไหนบันงลก็หลงคิดเลงคิดเนี้ยจะรูไหม่เล็กเ้ยคือหลงสภ า, าวธรรมทั้งหมดเลยถ้าเราแยกสภ า, าวธรรมทั้งหมดมีสองขั้า ไตหนึ่งเป็นไตคูโทนไตหนึ่งไตอักูโทนในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอักูโทเกิดมากคูโทนเกิดน้อยอนี้ดูออกไหมอักกุทนมีโลคโกรธหลงหลงมีมากที่สุดเพราะเวลาโลคเปลารโกรธต้องหลงด้วยแล้วหลงเนี่ยมันมีหลงหลายแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปลงถึงนิ้วมือหลงไปกับขัดขัตาแล้วหลงไปคิดหลงคิดเยอะที่สุดเพร้นถ้าเรามองอย่างนี้ เราจะพบว่บบาสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดถ้าหลงคิดมีบ่อยถ้าเรารู้จักหลงคิดเนี่ยก็คือเราได้สตลีบ่อยเอาหลงแอบรู้สึกแล้วรู้สึกแบบมเป้านหนึ่งข่านมาเรียนกับหลวงพ่อนะท่านเรียนเสร็จแล้วก็ไปลองทําวันที่สามวันที่หนึ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ฟังไปคิดไปวันที่สองฟังแล้วหลวได้ยินหลวงพ่อบอกว่าให้ทํากรรมฐานสักอันหนึงเช่นวุ่โลหายใจอะไรแบี้ แล้วก็คอยไปเกใจนิ่งเดี๋ยวถ้าใจนิ่ไปคิดเดื๋วใจไปเพ่งเดี๋ยวอะไรนี่แค่ยรู้กันท่านก็กลับไปที่วัดนั้นไปนั่งขยับนิ้ขยับนิ้วยับไปแล้วใจนี่ไปคิดก็รู้ใจนี้ไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอีดีอีดูท่านบว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยท่านเตอรร้อยกว่าครั้งชั่วโมงละร้อยกว่าครั้งนะใจก็ตื่นขึ้นมาเลย่คือหลงบ่อยนั่นเอง รู้บ่อยรู้บ่อยดีโคตรสุขเก่งๆไหมพันมะที่เขาแสดงจิตมีโมหะเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้มีโมหะเราจะฝึกให้เห็นความจริงจิตมันจะมีโมหมะข้เรื่องพวกมันบังคับมันไม่ได้จิตจะดีจิตจะเร็วจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิต จ, จ, จะเป็นยังไงเลือกไม่ได้ เรียนไปเจอเห็นตวาจริงว่ามันเป็ของบังคับไม่ได้เรานเวลามีโมหะนย่าไปตกใจหลายคนปจิตไม่ดีตกใจที่ว่าจิตเสื่อมจิตมันเสื่อมไม่เป็นเราอีกมีได้เกิดรดับจิตไม่ดีเมื่อวานที่ใครไม่เล่านะคุณหมอเร้จิตมันเป็นอไเนี่ยเมื่อวานที่เล่าเพื่อนชอบฟังจิตมันกังวลหรือว่จิตมันอะไรจิตมีนบันไหม่จิตพอเป็นรู้ว่าลมแล้วมันบันปลา ก็ให้รู้มันไหวนะรู้ว่าวันไหวไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้วันไหวจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงรู้ไปจนกระทั้นเราเห็นจิตมันอยากวันไหวเรื่องของมันนะพอเราไม่กลัวว่ามันวันไหวไม่จิตจะตั้งมั่นสงบสุขอยากวันไหวก็วันไหวไปแต่จิตสบายจิตตั้งมั่นอยากจะมีโมหะก็มีไปแตจิตสบายตั้งมั่นในที่สุดฝึกมากๆเช่นจิตจะโกรธตรวธไป แต่จิตใจ่แสัจะสบายมีความสงบเปกก็นแคน่คนดูคนดูเนี่ยมันไม่ได้โกรธด้วยแต่จิตใจของเราแยกออกไปอย่างนี้มันเป็นแค่คนดูคนดูนะจิตใจที่ ja มีความสุบในทุกๆสภาวะได้จิ ja มตมีกิเลส ja อยู่ ja ก็มีความสงบตกอยู่จิตมีความสงบมีกุศลอยู่นะก็มีความสงบตกอยู่ไม่หลงเพลิดเพินเลยในี่นสุดจิ ja ตเป็นกลางค่ะทุกๆสภาวะเราฝึกน้ะฝึกไปเรื่อยในที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดข ja ึ้นจิตก็มี แต่ทรงตัวเป็นกลางอยู่เองนะไม่เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นอยู่แค่นเองจิตเป็นกลางจิตไม่ปฏิเสธธรรมะจิตของเรานักปฏิบัติหลายคนสงสัปฏิบัติตั้งนานเห็นเป็นลุกสุจิอยากได้ธรรมะแต่ว่าชอบปฏิเสธธรรมะเป็นจิตมันจะมีโมหะเนี่ยถ้าเป็นธรรมะก็คือห้ามมันไว้ได้ จิตมันจะมีโมฆะขมันได้ที่ไหนล่ะก็ไม่ชอบมันปฏิเสธจิตไม่เกิดกุศลขึ้นมารู้ตื่นเมตตาขึ้นมาชั่วขณะอยากให้มันรู้นานๆหรือทําำมากอีกธรรมะคือมันไม่เที่ยงทั้งดีและชั่วมันของไม่เที่ยงทงดีและชั่วมันของเป็นทุกข์ดีและชั่วเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะผล่ตลอดพอเจอสุขนะก็อยากได้ไว้นานๆเจอทุกขก็อยากไล่ ความตุกก็ยาวเกินไปเสมอความตุกก็สั้นเกินไปเสมอตใจไม่มีธรรมะนะใจไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดระจับทุกอย่างเกิดจัดเองถ้ามีเหตุมันต้องเกิดห้ามมันไม่ได้จริงๆแล้วไม่มีใครปิด ก, กัน้นเราไว้าจากธรรมะเลยกายกับใจเนี่ยพยายามสอนธรรมะเราตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธธรรมะตลอดเวลากายกับใจแสดงความไม่เทีย่ยงเราอยากให้เทีย่ยงพยายามทําให้เทีย่ยง ก็แสดงความทุกข์ให้ดูก็พยายามจะให้มันจบเพรเป็นของบังคับไม่ได้ก็พยายามจะฝึกบังคับให้ได้ใครหล่ะที่ฝือธร ร, รมะอยู่แล้วเมื่อไหร่ธรรมะจะเข้าสูจิตสู่ใจตัวเองได้เพรามีหน้าที่คอยรู้นะรู้ ก, กายรู้ใจรู้ ก, กายรู้ใจมันดึงจิตใจมันยอมรับความจริงยอมรับธรร ม, มนะ น, นั่นแหละว่าขันท่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาันต์จิตใจที่คล้อยตามตัณจาคล้อยตามความจริง จากนั้นในขณะเดียวโพตระปุญานีะเกิดข we ึ้นโพตรูปุยานเกิดขึ้นหนึ่ขณะจิตมรรคยานก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะเริ่มมรรคเกิดผลเริ่มมรรคเกิดผลได้เพราะว่าใจนี่มันคลอยตามความจริงใจมันเปิดใจขึ้นมาเปิดใจยอมรับธรรมะขึ้นมาได้ที่มันเปิดใจยอมรับธรรมะขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราว ดีก็ชั่วกราบชั่วก็ชั่วกราบนะใจก็เป็นกลางละทุกๆุกสภาวะใจไม่ดีดิ้นที่จะหาสุดเกลียดขึ้นที่จะหาดีเกลียดชั่วที่จะหาสงบเกลียดความฟุ้งต่างใจไม่เป็นอย่างนั้นใจจะเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางใจไม่ดีทีดิ้นธรรมะอะไรเกิดขึ้นจิตใจคล้อยตามธรรมนะอนั้นจิตที่คล้อยตามธรรมะไม่ปฏิเสธธรรมะเรีว่ามีปัญญาค น, น ปัญญาตัวนี้เรียกว่าสัจจานุโลมิกิยาคือเป็นปัญจกัญญาที่จิตใจนั้มันอนุโลมตามความจริงตามสัจจะคล้อยตามสัจจะไม่ขืนสัจจะเมื่อใจไม่ขืนสัจจะไม่ขืนความจริงสัจจะหรือความจริงก็เข้าสู่จิตสู่ใจของเราได้ไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานนะเรากีดกั้นของเราเองจิตใจของแต่ละคนนั้นพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่เรื่อย แต่เราปลุงแต่งเราขัดผื้นเราปฏิเสธธรรมะของไม่เทียงอยากให้เทียงของเป็นตุกอยากไห้สุกของบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้ตัวตนไม่มีอยากให้มีได้คืออยู่ตลอดธรรมะเลยเข้ามาสู่ทีตสู่ใ จ, จไม่ได้เพราเราปฏิเสธธรรมะแต่ถ้าใจมีปัญญานะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์เพ่อชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราว อะไรเกิดขึ้นใจก็รู้อย่างเป็นกลางคุนเบอร์สี่บอกว่าจิตมีโมหะจิตมีโมหะใจก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อยากให้หายจิตมีเหตุให้เกิดโมหะจิตก็มีเหตุมีเหตุแล้วมันก็เกิดห้ามันไม่ได้นะปฏิเสธมันไม่ได้จิตใจค้อยตามตัดจากค้อยตามความจริงในที่สุดจิตก็พ้นจากความกลปูแตกจิตหมดความดินมด้นรน จิตออกคล้อยตามคามจริงจิตเจะเริ่มริ้นจิตที่เลิ่มริ้นก็เข้าถึงมาผลานิพพานเพราะนิพพานเนี่ยคือวิสังขารความไม่ดิน้นความไม่ปรุงนิพพานคือวิราคะหมดอยากหมดความอยากหมดความหิวโหยต่ของเราหิวนะหิวกับท่ทานธรรมะอยากได้ธรรมะนี่แหละเขาหิวอยู่หลวงพ่อไปถูกพระองค์ท่านตะโกนว่านะท่านสอนไม่ใช่ท่านว่า ก็วงพอตอนนั้นอยู่วัดป่าเองตอนเช้าอย่างพวกเรากอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วเข้าไปแปลงฟันทานข้าวเสร็จแล้วแปลงฟันนั้นเสร็จแล้วก็เดินลงมาจากคูปิเดินไปเห็นก้อนยี่หินตัวหนึ่งใต้มอเห็นใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้าพอเก็นตรงเนี้ใจมันเนี่ยอยากปฏิบัติในวันนี้จะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยนะนั่งบ้างเดินบั่นหรือที่เงม้ยไม้หินต้นนี้ใต้ต้นไม้เนี่ยอาจจะดี ครวรจะภาวนาได้ทั้งวั น, ะนะนะาอาจะดีทิศเท้าหนึ่งนะตะโวนกล้ามศาีนะการทิศเท่าเลยปลาโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วคนนั้นหันมาดูทั้งวันเลยนะทุก ส, สายตาหลายสิบาส า, ายตาหาาันปุ๊บดูในปลาโมดผู้อยากปฏิบัติก็ผิดแล้ว mm hmm. โอ้โหมันทราบถึงถึงใจนะหน้านิชาเลยอายเขา แต่ว่าใจนี่ดีใจมากรู้สึกรักท่านมากเล ย, ยค่ติ๊กเรียกข้ามสระน้ำที่กล่าวท่านแต่เดิมไม่เคยเห็นทันนาตัวนี้ไม่เคยเห็นกิเลสตัวอื่นเนะไม่เคยเห็นกิเลสอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่ออยากปฏิบัติด้วยอํานาจโรงการของกิเลสตลอดวันที่เราจะทําต่อไปนีน้เราจะทําด้วยอํานาจของกิเลสสติจะไม่เกิดขึ้นสติจะเกิดร่วมกายกิเลสไม่ได้ กิเลสต้องฟรองรัวใจของเราไ้แล้วสติเกิดไม่ได้ละท่านบอกให้ท่านนั้นสติเกิดแต่จิตเป็นสิ่งตนนะอันเป็มอง ท, ท, ท่านท่านกําลังนั่งหยองหยองน่าคุติท่านมือหนึ่งถือขันน้ามือหนึ่งถูปแปลงฟีกปั่น <c oughs> ท่านกาลังจะแปลงปั่นนะครูบาอันวัตโ์ปูนบอกเราข้ามสักน้ำตาก็ใหญ่เนะข้ามตักมาต่างร้านเลยโอ้โหรูบสึกถึงใจ แต่รู้เลยแต่ก่อนนี้งู้นมัดเลยปฏิบัติไปเรื่องอํานาจของความอยากพอมาศึกษาถึงอริยธรรมนี่จะรู้เลยกิเลสแล้ว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหาชาตปัจใจของกรรมกิเลสทําให้เกิดกรรมนะกิเลสทําให้เกิดกรรมแต่การเกิดนี่ไม่ใเกิดธรรมดาไม่ใช่พอกิเลสเกิดแล้วกิเลสหมดไปทําให้เกิดการำกระทํากรรมไม่ใช่สหาชาตปัจใจมนะันเกิดร่วมกัน มีกิเลสแล้วเกิดการกระทำกรรมตลอดเวลาที่กระทำกรรมอยู่กิเลสยังครอบครองหัวใจเราอยู่กิเลสยังอยู่เมื่อกิเลสยังอยู่สติจะมีไม่ได้เด็ดขาดสติเกิดร่วมกับอุปคนไม่ได้อุปสนกับอุปสนอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนความมืดกับความสว่างไม่อยู่ด้วยกันถ้าไม่มืดก็สว่างให้สว่างก็มืดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเรอยากปฏิบัติเราล ง, งมือปฏิบัติ สิ่งที่ทำนะไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับกายบังคับใจเมือเราทำการกิเลสสัง่งกิเลสมันก็สั่งว่าบังคับไว้บังคับไว้แล้วดีเองกำหนดไปเรื่อยๆเราจะได้เป็นคนดีเวลาลงมือปฏิบัติสังเกตไหมประหยาดปฏิบัติกำหนดนะรู้ลมหายใจกำหนดลมหายใจรู้มือไปกำหนดไปที่มือรู้ท้องกำหนดไว้ที่ท้องรู้เท้าก็กำหนดไว้ที่เทา้าทำอะไรทำให้กำหนด ปัญหาทําให้กำหนดอยากปฏิบัติทําให้กําหนดอยากปฏิบัติทําให้ปฏิบัตินั่นแหลเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่กําหนดไปเรื่อยๆสติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เลยเกิดไปจะเลิกกำหนดให้เราค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังหลวงพ่อเรียงมาจากคูบาอจารย์มาตาท่านพูดภาษาคนในเมืองไม่เป็นหรอกเวลาสอนอะไรก็สอนแบบซื่อ พอมามาเรียนมาอ่านตำราอานหน้าที่ทำอ่า น, าาา น, นอะไรพวกนี้ถึงได้รู้ว่ามันตรงกันจริงแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่รู้ภาษาพูดไม่ถูกอย่างเวลาเป็นวนวดท่านหลวงพ่อเป็นวนวดครูบาอจารย์นึงเป็นคนไม่พูดหลวงปู่สามนี่เป็นคนที่ไม่พูดเลยอยู่นั่งอยู่ได้ท้องฟันไม่พูดตอนหลวงปู่ดูลไม่สบายหลวงปู่สามไม่เยี่ยมมาจึงไดมากราบแต่แล้วก็ น, น, นั่งเฉยเฉ ไม่พูดจากันนะเมอนคนทะเลาะกันเมนคนโ ก, กรธเปลี่ยหน้ากันนั่งอยู่นะั้นสองสามชั่วโมงนะก็าตมเจกลับแ ล, ล้วลกขึ้นกลาบคุณดูที่ยักหน้าจิตที่ะตะท่านมีนิสัยไม่พูดูจอีกครั้งหนึ่งท่านไม่สบายมาอยู่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลชูรกลับท่านนะั้ขอรวดท่านรูดก็ไม่เป็นหรอกนะแต่เห็นคนอื่นก็ไปหาคุบาอาจารย์ชอบรูด่นอยากไปเอาบ้างอยากได้บุญอ่ะบ้าบุญ ว่าเนี่ยนวดเป็นความรวดท่านดีไม่ทําท่านเครียดเาปหนักบีก็ไปขยำขยำท่านนวดนวดใจลอยแว้บไปคิดเรื่องนี้ถูท่าดุเลยไม่เต็มใจจะรวดก็ไม่ต้องรวดหรอกเฮ้ยเขาตกใจก็เต็มใจนะเต็มใจนวดนวดนวดจ้ใจลอยอีกแว้บหนึ่งมองหน้ายกไม่เต็มใจรวดก็ไม่ต้องรวดหรอกแล้วก็งงเลย ให้เราก็เต็มใจนะทำไมว่าเราไม่เต็มใจครั้งที่สามเรใจลอยครับท่านว่าครับอ๋อท่านจะสอนให้เรามีสติไหมในขณะนั้นเราขาสติเราใจลอยไปกําลังนวดท่านอยู่ในใจลอยไปที่อื่นอะ่ะที่จริงท่านไม่ได้อยากให้เรานวดหลอกลวงอยกลัวเราด้วยซ้ําไปเดี๋ยวเรานวดท่าเครีดแต่ก็ทนคนคนอานะอยากให้โยมได้บุญโยมเองก็บ้าบุญนะมีคนมานวดพอเกเคร็ยดสักหลายวันนี่ ตอนนี้เลยไม่เอาไม่ตามใจแล้วให้ครูบาอาจารย์ในก่อนพูดภาษาคนหนึ่งเราค่เข้าใจแต่ท่านทำให้ดูท่านแสดงในหน้ดูท่านสอนเราต้องค่อยคสังเกตเอาว่าท่านมุ่งหมายอะไรจริงๆก็คือตอนที่มีสติสติสําคัญที่สุดขาดสติอันเดียวก็คือขาดการปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัติและสติสําคัญที่สุดสติคือความรับรูได้ เราเลือกได้ถึงสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏนั่นสติที่เป็นสัมมาสติก็ไม่ใช่เราเลรื่องอื่นเลยนะเราเลือกเรื่องใหญ่ๆเรื่องรูปกรื่องนามถ้าสติเราเลเรื่องการทํามากินเรื่องงานเรื่องอะไรที่ดีๆทั้งหลายเป็นสติอย่างลภโลภไปสัมมาสติคือสติเราลืรู้ตายเราเลรู้ใจเราเลกรู้โลงไปปัจจุบันเลยถ้าไม่เป็นปัจจุบันจะเป็นสัญญาไม่ใช่สติเล่นคนละตัวกันนะสัญญาเป็นตัวจา เช่นโกรธว่าเมื่อวานนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานโกรธสัญญาแต่ถ้ากําลังโกรธอยู่โกรธมาห้านาทีแล้วเกิดะระลึกได้ว่ากําลังโกรธอันนี้เรียกว่าสติสติะระลึกวับสติเป็นงปองค์ทำปายจุบันทันทีที่สติเกิดปัจจุบันจะต้องกลับทันทีความโกรธจะดับวับไปต่อหน้าต่อตาเลยนะดับทันทีนะไม่มีอ้อยส้อยอ้อยหญิงแผลงห่งนิดห่น่อยนี่ไม่ใช่สติตัวจริงเรา คนบอกว่าดิฉันมีสติโหลดมาสามวันแล้วยังดูอยู่นี่เลยอย่างนี้ไม่ใช่สติหรอกหรือขับรถอยู่นะเป็นคนปาดหน้าปั๊บโหลดเป็นคนทั่วไปเราก็ปาดหน้าเราก็จะไปดูไอ้คนที่ขับปาดเราคนทั่วไปจะทําอย่างนี้นันกปฏิบัติจะมาดูใจที่โหยนี่ดูใจที่โหลดนักปฏิบัติก็มีสองกลุ่มนักปฏิบัติที่อินโนเซนต์หน่อยนะก็เห็นความโหลดเราไม่ชอบเลยอยากให้หาย เรากลังเกลียดความโกรธเพราะงั้นเวลาเราไปเห็นคนปาดหน้าเราเกิดความโกรธตัวที่หนึ่งอเอาระไปเห็นความโกรธครับเราเกิดความโกรธตัวที่สองคือโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอยากให้มันนายไปจิตไม่มีสตินะก็โกรธไม่หายาดูไปได้ทั้งปันอย่างนั้นนะไม่หายแบบยิ่งดูยิ่งโมโหว่าทําไมเมื่อไร่จะหายโกรธสักทีไม่มีสตินะนะักปฏิบัติที่ชัน้นนี้ชํานาญไปเห็นความโกรธครับ รู้อย่างสักดิว่ารู้รู้อย่างเป็นกลางไม่เกลียดมันไม่รักมันอาจสะบั้นทันทีอาคุณสนจะดับทันทีอาคุณสนดับภาพจิตใจจะเป็นคุณลจิตใ จ, จ ท, ที่เป็นคุณสนจะมีความสุขจิตที่เป็นคุณสนมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปฏิบัติแล้วจิตเราแข็งแข็งเครียดเครียดต้องรูน้นะว่าไปทาําอกคุณลขึ้นมาอะไรนักปฏิบัติเกือบทั้งหมวดแล้วแหละนักสร้างอากคุณสนตัวยงเลย เวลาลงมือปฏิบัติเป็เก่งไหมดูไปทีไรใจยังแข็งกระด้างเสียดๆหนักๆแน่นๆแข็งๆซึ้งๆเรื่อๆนั้นคือกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะต้องเบาต้องอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานคึอไม่สูงกิเลสไม่สูงนิวรณ์รับหนักไม่ใช่ทําไปด้วยความอยากสติเกิดขึ้นเองต้องไฝไป่ฟังนะเนื้อหาสาระมันเยอะ นี้ความสติเกิดจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขถ้าจิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นแต่ไว้นะความสุขทำให้เกิดสมาธินะเช่นสมาธิทําให้เกิดความสุขเราเรียนธรรมะขับกับหัวกลับหางที่ว่าทําสมาธิแล้วมีความสุขทําสมาธิไปเรื่อยๆมันจะเป็นเบกขามันจะเป็นสุขหรอแต่จะเป็นกลางมื่มีความสุขขึ้นมาใจจะตั้งมั่นต่แต่ตั้งมั่น็นกลาง มีสมาธิตั้งแต่ตั้งมั่นจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูปัญญามันจะเกิดคือถ้าสติไปรู้กายจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราสติไปรู้เวทนาก็จะรู้ว่าเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราสติไปรู้กุศลนักกุศลก็จะเห็นว่ากุศลนกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราสติเราลึกรู้จิจที่เกิดทางตาที่เกิดทางหูที่เกิดทางใจก็เห็นละดับดืระดับเดือนระดับไม่ใช่ตัวเรา ภาวนาถึงจุดนี้บางคนจะตกอกตกใจว่าตัวเราหายไปแล้วมารายงานหนุนพ่อนะวตัวตนหายไปตกใจเมื่อแต่ตกใจเลยยังไม่บรรลุมรรคผลนะถ้าไม่ตกใจสักว่ารู้สักว่าดึงไปไม่นานจะบรรนมุมรรคลเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อเลเซนโรสุรีจากยุวพุทธเลเซนโรสุรีบอกว่าตึกดำเนินได้หลายปีแล้วเทีย ลองฟังซีดีหลวงอเลยฝึกตามรู้ดูตามรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยสบายสบายวันที่หนึ่งไม่รู้เรื่องเลยยังทําให้เป็นพยายามแล้ารู้ยังไงถึจะถูกแล้ารู้ยังไงถึงจะถูกพยายามทําไม่ถูกพวันที่สองเริ่มจะดูได้เห็นกายเดินไหวกายเคลื่อนไหวไปกายมันเดินมันยืนนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราพอวันที่สามมันมีแสงสว่างขึ้นสว่างคึกว่างขึ้น เห็นทันงานกระจายตัวรูปก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราห้าเราหายไปไหนสกใจถ้าไม่สกใจนะอาจจะสะลุมันลุมัดคนอะไรไปแล้วก็ได้ใควเอ๊ะตกใจจิจตถอนเลยจิตไหลอกอกมาต้องมาคั่งมั่นมาต้องมาเริ่มมาหัดดูหัดดูอีกไม่ค่อยเกินนะไม่ตื่นสา กำหนดกำหนดอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะเลิกเลิกนะหลายคนบอกว่าต้องกำหนดต้องกำหนดหลวงพ่อถามว่าธรรมะกำหนดรภาษาบาลีบางหนึยกตัวอย่างให้ฟังะทุกขังอริยสัจังปรินังทุกให้กำหนดรู้พวกไหนต่วไหนแต่ว่ากำหนดทุกขังแปลว่ากำหนดไหอริยสัจแปลว่ากำหนดหรือไไปลงว่าปรินังแปลว่ากำหนดต้องแยกศัพ่สิปริังแปลว่าอะไร ปริญญ า, าจะทำสองคำนะปะริตัวหนึ่งปะริแต่ว่ารอบๆอเช่นปริมณฑล น, นบริเวณและรอบรอบปริอีกตัวนี้งคือคำว่ายายาที่แต่ว่ารู้อย่างยาณะความอยางรู้ที่ว่าเป็นวิปัสนาญาเป็นความอยางรู้ตัวยาเนี้แต่ว่ารู้รรญญเพราะฉะนั้นว่าปริญญาหมายถึงรู้รอบ ปริญญาควรรู้รอบเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยรูปอริยรสัจคือกายกับใจรูปกับนามรูปขังอริยรสัจกันคือรูปกับนามนี่คือกายกับใจเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้รอบรู้ให้รอบด้านรู้ให้ถึงรู้ให้ถูกต้องไม่มีคำว่ากําหนดเลยนะเราไปแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้วใส่คําให้มันสบายปาก Okay, ทุกหทให้กำหนดรู้คนเจอปีกสมูทายให้กำหนดละนิโรธกำหนดให้แจ้งมาร์ก็กำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปมันไปันาดใหญ่เลยนะมีละลูกศิษอยู่า่อคสนใจจะไปกฆษําที่แปลคำว่ า, ากำหนดกำหนดไปได้สับคำว่าที่ปแปลแปลว่ากาหนดนั้นมาลายคำเราไปดูสับจริงๆไม่มีคำว่ากาหนดอย่างมาัฑกิกา แปลว่าำหนดเีงมีเยอะแยะเลยที่เปเอาไปแปลว่ากาหนดกริฆาห์การคือกรองไปกําำหนดเ้งมีหลายตัวนะเยอะมาไปแปลภาษไทยเอางมาแปลเอาเองแล้วเราก็ไปทำตามอาษาไท ย, ม, ไทยมันไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกมันทุกข์ให้รู้ทุกข์ไมได้ให้กาหนดสมะมุนใจให้ละที่รูทํามีแจ้งทำให้เข้าไปถึง มาร์กทำให้เจริญเจริญคือเจริญบ่อยๆไม่ใช่ทำให้ใหมีนานๆา น, นะมาก์กทาให้เจริญทุกให้รู้เป็นยังไงอะไรคือทุกต้องเรียนนะสิที่เรีย ว, ว่าพุกพระพุทธเจ้าสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็ บ, ค ว, บความตายเป็นทุกว่าโดยย่ออุปาทา น, นทั้งห้าคือกายกใะใจนี้คือตัวทุกทั้นสอนอย่างนี้พอเราฟังเราก็แปลเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกรู้สึกอย่างนี้ไหม มีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนที่ท่านสอนนะท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ล่ะรูปกับนามกายกับใจเป็นทุกข์ไม่มีคนนะในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคนแล้วก็แปลว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ท่นานสามารถทุกให้รู้แล้วก็สอนทุกให้รักอยากรักทุกให้กําหนดบ้าไม่ใช่รู้นะรู้กับกําหนดไม่เหมือนกัน كان. มีคำเพียนหนึ่งอัตกะชามาหาสติปัฏฐานสอนเรื่องกำหนดว่าถ้าเอาสติไปกำหนดรูปนามแล้วมันจะทุกขัญหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเป็นตัวสมุปภัยนี่กำลัสนองตัณหากำลังทำตัณหาอยู่นะต้องะมัดระวังทุกข์ใหรู้ทำไมถึงรู้ได้เพราะว่าสติแปรรุ่งข้าวทำไมสติถึงแปรรุ่งรู้รูปนามได้เพราะสติมันจำรูปนามได้จิตมันจำได้แล้วสติเกิดระลึกขึ้นเองเกิดระลึกขึ้นเอง จิตที่ใช้จเจริญวิปาสสนาได้อย่างมีคุณภาพจริงๆมีอยู่สองดวงคืออันแรกเลยเรียกว่าจิตที่เป็นมหากรุณ์นประกอบด้วยความสุขประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ได้ฉับชวนเกิดเองอย่างที่สองจิตที่เป็นมหากรุณ์นมีอุเบกขาคือไม่ใช่มีความสุขแต่เป็นกลางนุ่มนวลอยู่นะประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ฉับชวน จิตผู้นี้เกิดโดยไม่ได้ชักชวนเป็นจิตที่มีพลังจิตที่ต้องชักชวนให้เกิดโน้มน้าวให้เกิดไม่มีพลังเป็นจิตที่เป็นส่วนงเหมือนกันแต่ไม่มีพลังเพราะฉะ น, นัะ้นอย่างที่เราพยายามกําหนดที่มีสติกําหนดที่มีสติพยายามทําน้มน้าวให้เกิดหรือว่าสั่งขาริกังลงใจทําให้เกิกดขึ้นมาโน้มนาวชักชวนให้เกิด ไ, ไม่มีพลังเป็จิตที่สติระลึกขึ้นเองเป็จิตที่มีพลัง ในตัวที่เราเลื่ขึ้นได้เองนี่สําคัญมากให้เราเลืรู้เราลื่รู้เพราะมันเลื่เองเราเลื่ได้เองเพรามันจําสภาวะได้ม like ันจําสภาวะได้เพราะเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆเรียกก็มาถึงการปฏิบัติจุดตั้งต้นก็คือต้องหรู้สภาวะบ่อยๆใครเคยทํากรรมฐานอะไรนะคําต่อไปได้นะคําต่อไปได้คนไหนเคยดูท้องฟองยุกก็ดูไปแต่ว่าไม่ใช่เอาจิตไปเพ่งไม่ที่ท้อง ถ้าเอาจิตไเปเพ่งไว้ที่ท้องกําหนดอยู่ที่ท้องอนั้นเป็นสมถะการเพ่งตัวอารมณ์ด้วยอารมณ์นุปนิชฌานเป็นการทําสมถะแต่การรู้ลักษาของอารมณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่เหมือนกันนะถ้าจิตสลับลงไปแช่แล้วก็สมถะแน่นอนถ้าจิตสักว่ารู้ว่าดูสติแต่ระลึกอยู่ไม่ได้กําหนดไม่ได้ลงไปแช่นี่ถึงจะทํำวิปัสสนาได้ สมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สมาธิในการทําสมาทานี่ยจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ไม่เหมือนกันนะอันหนึ่งจิตเข้าไปตั้งไว้ที่ตัวอารมณ์เช่อไปตั้งไว้ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องนี่เป็นสมาทานอันที่สองจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตนั้นเป็นจิตสระเป็นคนดูอยู่ห่างๆไม่ถล้ําเข้าไปในอารมณ์ เหมืนคนดูฟุตบอลเนี่ยดูอยู่ข้างสนามไม่ไปยืนต่างสนามเดี๋ยวถูกรองเท้าเขาดูอยู่ข้างสนามไม่เหมื น, นดูดูดนตรีดูละครดูอยู่นอกเวทีไม่กระโจนก็ไปในเวทีนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นแบบวิชาสนาที่หรือจิตที่ใช้ทสฌานจะกระโจนไปกอะนิ่งๆไว้กับตัวอารมณ์ไม่เหมือนกันนะปัญญาที่ใช้ทํำวิปัสสนากับปัญญาที่ใช้ทํามสมถะก็ไม่เหมือนกัน ปัญญาที่ใช้ทํำสมถะเนี่ยใช้คิดคิดจารณาใช้การคิดได้แต่ปัญญาที่เกิดเป็นวิปัสนาจริงๆพ้จนจากความคิดเพราะอะไรเพราะความคิดไม่ใช่ของจริงวิปัสนาเนี่ยติดเข้าไปเป็นของจริงในรูปของจริงก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นใะวิปัสนาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงตรงใจของใจส่วน ปัญญาของสมถานี่มันไปคิดเรื่องกายเรื่องใจเช่นจิตมีราคะขึ้นมาเกิดการมาราคะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นปฏิปูระสุขขคมราคะได้นี่เป็นปัญญาเหมือนกันนะแต่เป็นปัญญาในการทําสมถะที่ต้องหัดนะต้องเรียนนะต้องค่อยๆศึกษาไปสติก็ไม่เหมือนกันนะสมาธิก็ไม่เหมือนกันปัญญาก็ไม่เหมือนกัน ตามดูสิ่งที่พวกเราทําส่วนใหญ่เป็นอะไรสติของเราเข้าไปกําหนดใช่ไหมไม่ใช่เกิดขึ้นเองแต่จงใจกําหนดสมาธิของเราเนี่ยจิตตั้งมั่นในการรู้หรือจิตพลาญก็ไปแช่อยู่กับอารมณ์นักปฏิบัติเกิดบทั้งหมดจะจิตพลาญไ่แช่ไว้ที่ตัวอารมณ์ปัญญาของเราเนี่ยเกิดจากการประจักษ์หรือสภาวะแล้วเข้าใจหรือเกิดจากการคิดเช่นถ้าความโกรธเกิดขึ้น เราเห็นสภาวะธรรมของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป น, นี้เป็นปัญญาในวิปัสสนาถ้าความโกรธเกิดขึ้นเรากําหนดเลยนะคิดแจะโกรธเนาะ อ, อะไรขึ้นมาเนี่ยนะหรือพุทโธพุธโพธโพธโทโทนิสสมุทะปัญญาจากการคิดใช้ไม่ได้นะเ้องแยกเลยต้องค่อยๆดถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อกล้ายืนยันในเส้นทางนี้รากนี้ที่สุดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหื่อยนะ ทำไมมันไม่เหนื่อยทำไมมันราบเรื่องรศพุทธเจ้าลำบากมา ก, ก่อนเราแล้วท่านภาคเพีเยรคนกว้าสแสวงหาเส้นทางนี้ภาษีสงไขแสนมหากรัมก็นะคือโลกเนี่ยเกิดจับเกิดจับแตกสลายไปทั้งหนึ่งไม่ว่ากับหนึ่งอำมาณหนึ่งอะสงไขเนี่ยคือสิบยกกำลังร้อยห้าสิบโลกแตกดับแตกดับไปเนี่ยคือสี่คูด้วยสิบยกกาลัง ร้อยห้าสิบบวกอีกแสนแสนกับยังใช้เวลาคนควา้าลองปิดลองถูกมาลำบาออกเราปิดลองถูกจนตายแล้วแต่อีกนะได้รับความทุกข์ยากทรมาณมากมายต่ที่สุดท่านขึ้นกบต่างที่แตนนนน่งง่ายรีบง่ายเป็นนึกออกไหมตอนท่านเด็กๆท่านไปนั่งใต้ต้นว่าแล้วท่านนั่งรู้ลมหนใจไปท่านรู้ลมหนใจจิตของท่านท่านตั้งมัน่น สบายสบายไม่ได้เคลื่อนเครียอะไรนะสบายสบายเแต่แล้วท่านก็ลืมจิตตรงนี้ไปต่อมาบาเวลาออกไปบวชก็พยายามบังคับทรมานกายทรมานใจกดข่มทั้งหลายได้ทำนานไม่สาเร็จอันหนึ่งท่านเรารู้สึกใ้สภาวะที่สบายสบายธรรมดาธรรมดานี้ได้ท่านก็มาหายใจหายใจไปเจอท่านใจท่านสบายตรงนี้เป็นสมถะนะจิตใจสบายแล้วท่านทําอะไร ท่านเจริญธรรมานุปัชนาท่านรู้อริยสัจท่านก็ดูเลยว่าความทุกข์ที่เกิดได้อะไรเกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจความทุกข์เกิดเพราะมีกายกับใจถ้าไม่มีกายกับใจคือไม่มีชาติก็ไม่มีทุกข์เิดเพราะกายกับใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของความทุกข์กายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์มีไหมทุกข์อันที่สามที่เกิดกายเกิดใจไม่มีนะถ้าไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจทุกข์มีแค่นี้เอง ท่านก็ดูต่อไปทําไมมีตัวนี้ขึ้นมาเพราะจิตมันไปหยิบฉวยมันจิตมีอุปาทานไปหยิบฉวยเอารูปนามนี้มาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทำไมไปหยิบฉวยขึ้นมาเพราะว่ามีความไม่รู้เป็นตื้นฐานไม่รู้ความจริงว่ารูปนามนี้เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราถ้าไปหยิบฉวยเอาขึ้นมาก็คือไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาในจิตเนี๋นยวท่านดูโดยไม่ใช่นั่งคิดนะ แต่นคนคิดว่าท่านนั่งคิดธรรมะท่านไม่ได้นั่งคิดท่านดูควรกระแสของปัจจัการของปฏิจจสมุปบาทโดยมีสภาวธรรมรองรับเวลารู้กายก็รู้จริงจริรู้ใจก็รู้จริงจริงวนวิาพิจารณาเข้าไปจากของจริงจรือที่สุดท่านก็รู้อต้นตอทั้งหมดคืออวิชานะั่นเองวิชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจอ ร, ริยสัจข้อหนึ่งคือไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้ว่ากันห้านี้เป็นตัวปุ๊บคิดว่ากันห้าเป็นตัวดีก็เลยไปหยิบชวยออกมาเป็นตัวเราพอไปหยิบช่วยว่าเป็นตัวเราได้แล้วก็เกิดสมุทยัยอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราเปนสุขพอมีสมุทยัยจิตใจก็ดิดน้นรนบางคนนิพานหายไปไหนหมดเลยหาไม่เจอแล้วแต่ถ้ามารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้ว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะไม่ยึดตือในกายไม่ยึดตือในใจว่าเป็นตัวเรา ความยินรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขความยินรนที่จะให้กายนี้ใจนี้ทุกๆจะหายไปอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกแจมแจสมูไทยจะถูกละอัตโนมัติถ้าสามเรื่องเรียบเรียนเป็นระเบียบดีนะทุกสมูไทรไม่ร้อนมารู้ทุกแจมแจสมูไทรจะถูกละอัตโนมัติอันทีที่สมูไทรถูกละอัตโนมัติวิโรจนจะปรากฏต่อหน้าต่อตา นิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พราไม่ได้อยู่นอกโลกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานแต่เราเมองไม่เห็นเพราะใจของเราโมต่ริ้นดนจิตใจมันริ้นดนไม่มีคุณภาพที่จะเห็นธรรมะที่ไม่ริสโดนถ้าเมื่อไหร่เกิดจนกระทั่งจิตหมดความริสโดนเขารู้ความจริงของกายของใจแล้วนั่นะจิตถึงจะเห็นธรรมะที่ไม่ริ้นดนคือเรนนิพพานจิตมีคุณภาพข น, น, น, น, น, นาดไหนก็เห็นธรรมะได้ขนาดนั้น อยาบางวันจนิตของเราหดปูนะโลกทั้งโลกหดปูบางวันจนิตของเราเบิกบานโลกทั้งโลกเบิกบานถ้าวันใดจิตของเราค้นความปลนแตกแล้วแหละเราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปูนแต่ตหน้าตตานี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารูร้ทุกข์แจ้งแจ้มสมุทัยถูกล่าอตโนมัตินิโรูแจ้งขึ้นมาอัตโนมัติตานาตตาการรู้ทุกข์ละสมุทัยจนแจ้งนี้รูเรียกว่าอริยมรรคหรือเรียกอริยสัจสิทธิเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง เราจะเรียนนั it, ้นแต่เข so, ้าใจได้เป็นลําดับลําับไปเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจอริยสัจจริงๆไม่เข้าใจหรอกอย่างเราพุทธเจ้าบอกกายกับใจเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ถามเรารู้สึกอย่งเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไหมจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่ตรงที่พุทธเจ้าสอกท่านบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ท้ามาไรเห็นว่าคันห้า เ, เป็นทุกข์ล้วนๆเลยแต่ทุกข์มากกับทุกน้อยจิตจะปล่อยวางคันห้าแต่ถ้าเมื่อไร ย, ย, ยังรู้สึกว่าคันห้ากายในี้ใจในี้นะเป็นทุกข์บ้างเป็นทุกข์บ้างมันจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่เลิกเลยมีถังเลือกใช่ไหมเพราะปัญญาเราไม่แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์ว่าคันห้าเป็นทุกข์เราปล่อยวางคันห้าไม่ได้ดังนั้นธรมารุดซึ้งนะเราฟังเปิดๆเหมือ น, เ, น, เ, น, เ, น, เ, นเข้าใจี่จริงไม่เข้าใจหรอก ผู้เข้าใจอริยสัจได้มีแต่ละระหารัานั้นนี่เราจะเข้าใจเป็นลำดับลําดับไปือตัวสมุนไพยก็เหมือนคนทั่วทัวไปจะรู้สึกว่าความไม่สมอยากทําให้ทุกข์ใช่ไหมถ้าสมอยากก็ไม่ทุกข์คนทั่วทัวไปรู้สึกอย่างหมาแมวก็รู้สึกอย่างนั้นแหละแมวอยากจับนกถ้าจับได้ก็มีความสุขจับไม่ได้ก็จะทุกข์หรือความไม่สมอยากทําให้ทุกข์ ันทั่วๆไปเหนแคนนี้นี่นักปฏิบัติจะเห็นว่าความอยากทำให้ทุกข์ไม่ใช่ความไม่สมอยากนะความอยากแต่ทำให้ทุกข์เช่นอยากปฏิบัติลงมือกําหนดก็ทุกข์เลยอยากได้อารมณ์จิตมันแต่สายน่ะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจมันอยากได้อารมณ์ต่างๆมันก็ทุกข์ตั้งแต่มันต้องวิ่งแหละยังไม่ทันจะได้อารมณ์มาเลยยังไม่ทันจะสมความผิดหวังนั้นทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มทุกข์ตั้งแต่อยากนะ แอเราเข้าใจแล้วว่ความอยากเป็นเหตุให้เปิดทุกข์คิดว่าเข้าใจธรรมะแล้วนะตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังไม่เข้าใจหรอกในความเป็นจริงขันธ์ห้าต่างหากเป็นตัวทุกข์จะอยากหรือจะไม่อยากขันธห้าเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองถ้าเข้าใจทุกแจ่มแจ้งรู้ว่าขันธห้าเป็นตัวทุกข์ของมันเองความอยากมันหมดไปความอยากหมดไปจิตใจก็เลิกมร Dani, traps, свобод, นิน จิตใจมีความสุขมีสันติสุขสิทธิฐานแต่ถ้าอย่างเห็นว่าความอยากทําให้เกิดทุกข์นะจะไปหาทางละความอยากเช่นอยากกินข้าวแล้วมันทุกข์เหรออย่าไปกินมันอยากนอนแล้วจะทุกข์เหรออย่าไปนอนมันแกล้งมันวนกระแสของความอยากนี่อันนี้ศาสนาอื่นนะนี่คือศาสนาของนิโครนนิโครนจะทรมานฝือนตั้งขั้งตลอดเลยมันอยากนี้กูจะเอาอย่างนี้มัอยากอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้แกล้งมัน พระเจ้าไม่ได้สอนธรรมะชนิดนั้นแต่สอนให้รู้กายรู้ใจรู้อย่างที่ก็เป็นไม่ได้เข้าไปแทรกแซงรู้เฉยๆรู้สบายๆรู้จนเห็นความจริงไ่อโอกายนี้ใชนี้ทุกล้วนๆนะมันจะปล่อยวางมาวางแล้วตัณหาจะดับจริงไม่ต้องหาทางลากตัณหาเลี่ยนะตัณหาจะถูกลากไปถูกลากตมามธรรมไม่ธรรมะลึกนะคะค่อยๆเรียนหลายคนจะนึกว่าอ๋อเราเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะ มีเชื่องี่สูจน์เลยว่าเราไม่เข้าใจธรรมะคือเรายังทุกข์ได้อยู่ถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงต้องได่ทุกนั่นต้องเ ป, ป็นกุกแต่ถ้าเรียนธรรมะได้เป็นลำดับลําดับไปเนระียนเรื่องความทุกข์ลดลงลดลงลดลงต่อหน้าต่อ ต, อตานะอย่างคนที่มาฟังหลวงข้อเนี่ยพอฟังปิ้งขึ้นมานะจะเห็นในพัสติเกิดนะความสุข ก, ก็เกิดจิตใจสงบสุขตั้งมัน่นอัตโนมัน่นเลยสติสมาธิเกิดขึ้นอัตโนมัน่น มีความสงบจบทันทีไม่ได้ลําบากอะไรเยลยเพราะฉะนั้นตั้งต้นการปฏิบัติให้ถูกจยูตั้งต้นด้วยการหัดรู้สภาวะไปพอรู้สภาวาะฌานั้นสติเกิดแลสติเกิดใจจะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูพอใจตั้งมั่นนะ้ปัญญาจะเกิดเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนจะผ่านไปเท็นสิ่นี่เป็นปัญญาขั้นต้น น, นะ เห็นว่าสิงใดเกิดขึ้นก็กลับไปสิ่งใดผ่านมาก็ผ่านไปนี่เป็นญาเรื่องต้นของพระโสดาบันของพระสัพพะคามีนี่เฝ้ารู้ เ, เข้าดูมากเข้ามากเข้าเกิดปัญญาขันตรัสรู้ว่าถ้าจิตมีความอยากมีความยึดจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์จิตจะหมดการแสบใจวิ่งหาอารณาาณมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายวิ่งหาความเพลิดเพลินทางใจนี้นไม่เอาละจิตใจจะตั้งมัน่นเด่นดวงมีความสุขสงบอยู่กับตัวเอง ถ้าธาตเคลื่อนออกจากตัวจิตผู้รู้นี้ไปก็จะเป็นทุกข์ถ้าอยู่กับตัวจิตผู้รู้จะมีแต่ความสุขที่คือภูมิธรรมของพระอนาคามีปัญญาเห็นมาถ้าอยากถ้ายึดเราวทุกข์ถ้าววไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์แต่ปฏิบัติมากเข้ามากเข้าจเนเห็นแล้วกระทั่งตัวจิตตัวธาตุรู้อะไรต่างๆนานานเป็นตัวทุกข์ตัวรูวน้นันเรียกว่ารู้ทุกข์นะคนี้ไม่มีอะไรจะเหลือแค่ปฏิบัติละ ต้องเรียนนยต้องไปฝังรับ ว, ว่าหัดเจริญสติไปหัดรู้สึกตัวไปหัดรู้สภาวะหัดรู้กายหัดรู้ใจวิธีหัดรู้ก็ต้องมีเครื่องมือมีเครื่องช่วยคนไหนยิ่สีแก่กล้าง่ายอย่างพิี่ณาต์ไปเข้าคอร์สครั้งแรกไปเดินจูงโคลมเห็นร่าง ก, กายมันเดินใจเป็นคนดูนี่อย่างนี้ถูกต้เลยนะเพราะขาเก่าเคยทำา เาเดินไปนานๆกลายเป็นนักโยธวาทิตเดินไปตามสเต็ปอันนี้สติไม่เกิดนี่ถ้าหากเราเคศึกษาเคยฝึกฝนอบรมมานะมันจะเกินง่ายบางคนจะสงสัยน้อยอกน้อยใจว่า ท, าทาไมเราปฏิบัติยากะนะักหนาปฏิบัติยากมีสองพวกพวกหนึ่งไม่เรียนที่ดีนะมีแต่ศรัทธาใครก็พาทําอะไรก็ทําตามๆพวกนีมันไม่ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนทํายาก อวกหนึ่งพวกที่หยิบปีกงอนปิดใจยังวกแร็วอกแร็คคอปลู่โลกมันดึงดูดไปเรื่อยๆพวกนี้ก็ยังทำได้อีกพวกหนึ่งแฉมไหนพวกคิดมากพวกคิดมากยากนานศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะเอาฟังวัดโน้นว่านี้วันนี้ว่าโน้นเทียบไปเรื่อยนั่งคิดนั่งเทียบไปเรื่อยๆพาะนี้กีชาติก็รู้เรื่องว่าแต่คิดไม่ยอมรู้สัิถ้าลงมาไปยรู้กายรู้ใจถิงง่ายนิดเดียว คนบอกว่าเราเข้าง่ายนิ่เดียวแต่ว่ายากเยอะบางทีเดียวไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องตลาดนะไม่ใช่เรื่องตลาดต้องฟังสองสามครั้งแต่ก็มีคนหนึ่งฟังครั้งเดียวรู้เรื่องมีอยู่คนหนึ่งนะฟังประโยคเดียวรู้เรื่องแต่ว่าปปเพิ่งเคยเจอคนเดียวมาจากอริกญานะเนี่ยโตเต็มอมๆนี่ก ข, ขาแกไม่ค่ยเดี๋ยวพวกเขากำลังจะไเดินตะแต่ตแตกนิด มาหาพ่อครั้งแรกตอนอนู่ม3หลายปีแล้วลูกแกเก่งาสั้นเหมือนกันฝั่งมาแบบสบายเดินกนมาครับพวกก็รีบพวกตุ้ยีปตั้งไวกลางห้องแต่นั่งแลแกขาแกไม่ดีพอแกมาถึงนี่ยังไม่ทันนั้นก็ยืนยกหมุไหวของพ่อทีชี้หน้าเองพรอมอ่านพิมุติปฏิปทาที่ท่านเขียนในหนัสเน็ม ผอยู่ที่อเมริกาอ่านริบทปฏิปทาที่ท่านเขียนทางอินเทอร์เน็ตที่ผมปฏิบัติอยู่ที่ ป, รปรุกหรือยัอยงถามาอย่งนี้นะที่ผมปฏิบัติอยู่ที่ปุกหรือยังมาตอบประโยคน์เนี่ยยังก็ยังปฏิบัติอยู่ยังก็ยังทําอยู่แกจงใจทําอยู่เขาบอกว่ายังก็ยังปฏิบัติอยู่เข้าใจละนั่งยิมนะ้มหวานเข้าใจละการปฏิบัติมันแค่นี้เองไม่ได้ทําอะไรเลย รู้กายอย่างที่ก็เป็นรู้ใจอย่างที่ก็เป็นไม่ใช่ให้เป็นทําอะไรเห็นไม่ฟังแล้วงงไหย ง, งงบางคนฟังปังปะโยคเดียวรู้เรื่าคนฟังหลายปีหลายปีรู้เรื่องก็มีไม่รับรองว่ารู้เรื่องนะมีบางคนฟังยี่สิบกว่าปีไม่รู้เรื่องก็มีอแต่ว่าถ้าที่หลวงพอ่อสังเกตพวกที่ไม่รู้เรื่องเกิดจากกิเลสสามตัวนหนึ่งตัณหาอยากมากเลยอยาก อยากปฏิบัติมากเลยนะจิตใจมีแต่ความอยากที่สองมีมานะกูแน่นะครูหนึ่งกูรู้หมดแล้วแบบพวกขาล้มก้วยเรียนสิ่งใหม่ไม่ได้ลืมไปนิดเดียวแล้วถ้ากูรู้หมดแล้วกูคงก้นตู้ไปแล้วแหละที่กูยังรีบกรแดกกระแดกแต่กูไม่รู้หน่ะอีกพวกหนึ่งก็พวกทิศที่เจ้าความคิ ด, คดเจ้าความเปลี่ยนศึกษาเปรียบเทียบไป เ, เรื่อยพวกนี้เดินขาตัณหามานะทิศที่ มีชื่อเรียกรวมกันเลียว่าปปั่นจะทำธรรมะที่ทําให้เลื่อนสาแปลอีกชื่อหนึ่งนะท่านเจ้าคุณเปยุจได้เขียนว่มมาธรรมะที่ทําของง่ายให้ยากทําของง่ายงให้ยากธรรมะนี้ของง่ายเนยะของง่ายง่ายของซื่อๆอยู่ต่อหน้าตาเลยไปทําที่ยากเลยหายใจเข้าหายใจออกแล้วเห็นว่าในตัวนี้มันหายใจอยู่ไม่ใช่เราหายใจมันง่ายจะตายใช่ไหมหายใจแล้วกาหนดฐานา น, านั้นฐานนี้กินไว้ตรงนั้นตรงนี้ที่ยากจะตายไปกลับไปชอบทํำให้ที่ยากยากอ่ะ ฟังง่ายไม่ทำไปคิดมากเลยคิดมากยากหนาฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่แตกนะแตกอะไรฟังแล้วคิดมากก็ยากฟังแล้วหัดสังเกตใจไปเร่อยง่ายมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะหญิงหนทีที่ทีมเดียวกับชื่อสุณธานีิตวันนั้นมาคนเยอะคุณธานิตอยู่ยกูดเหนกัอยู่ยเอยอะ มาหลวงพ่อก็สอนตามนี้นะหลวงพ่ อ, อก็บอกว่าเนาะไอยังฟังไม่รนะู้เรื่องนะเอาซีดีไปฟังนะเหมือนกันแหละหลวงพ่อเทศเหมือนกันตอนน้องระวังอ่ะผ่านนีดแกทัดฐานมันไม่เหมือนหรอกแกบอกว่าที่แกมานั่งที่นี่ตอนที่แกฟังซีดีที่บ้านนี่แกเรียนคตัวยอย่างกันตอนที่แกมานั่งอยู่ที่นี่แกมาหัดดูสภาวะเพราะว่าจริงๆหลวงพ่อสอนเรื่องสภาวะนี่คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยสอนสภาวะยากขึ้นเลย ไม่มีเวลาไล่ที้ทีละคนแต่ถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมาหัดูสภาวะไม่ใช่มาฟังให้รู้เรื่องนะอยากฟังให้รู้เรื่องไปฟังดีๆก็ได้ที่บ้านไปอ่านหนังสือก็ได้มีให้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยเวลาชั่วโมงกว่ากที่อยู่ด้วยกันหาดรู้สภาวะครับเช่นนั่งฟังหลวงพ่อสังเกตไหยเดี๋ยวบาจทีใจก็สบายบางทีก็คขำๆบางีใจก็เฉยๆบางีใจก็แอบไปคิดเรื่องอื่น ทีฟังธรรมะแล้วก็คิดเรื่องธรรมะฟังไปคิดไปที่หัดรู้สภาวานะนะใจมีแว๊บๆแบบรแบบู้สึกาาไหมยี่งนะไปเฉยๆหัดรู้สภาวะจะไปอีกนะงั้นมานั่งตรงนี้นะถ้าใครพยายามหัดรู้สภาวะไปจะได้กำไรพอเราดูสภาวะเป็นแล้วเรากลับบ้านเราก็ทำได้ทั้งวันนะขับรถอยู่ก็ทำได้ทำอะไรก็ทำได้นะยกเว้นทำงานที่ต้องคิด งานที่ต้างคิดรู้สภาวะไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติด้วารมได้ครั้งไดอย่างเดียวพมอมันไปรู้เรื่องที่คิดแล้วมันรู้กายรู้ใจไม่ได้อันนี้เป็นกฎของธรรมดานกฎของธรรมอะอาุดเสื้อเหลืองอ่ะเบอสี่สิบสี่ใจลอยแล้วทราบไหมใจมันหนีไปแล้ถึงทันมนะันอาคุณจะในสฉบกันบ้างตื่นเต้นไหมคุณจะในฮิว ดีที่รู้ว่าอยู่ในความคิดคนทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนยอยู่ในความคิดตลอดเลยถ้าไม่อยู่ในความคิดคือจิตลงกบาลหลับไปดังนั้นจิตคิดตลอดเวลาเรื่องราวที่คิดมันไม่ใช่ความจริงอย่างเราคิดว่าเป็นนายกแต่ยังไม่ได้เป็นคิดว่าตอนนี้เราเป็นนายกก็คิดได้นะ อย่างเนี้ยที่หลวงพ่อที่ผคิดว่าเป็นนางงามแต่ประวางก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความจริงคนเรามัวแต่อยู่ในโลกของความคิดลืมโลกของความจริงกันหน้าที่ของเราก็คือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทั้งกายตื่นขึ้นมาทั้งใจตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในโลกของความจริงเราจะเห็นความจริงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอนัตตาันจะในรู้หลักแล้วต้องทำนะต้องอ อยู่นานๆเป็นแก่แล้วุึกยากนะคนได้เรียนร้ก็พอบางทีที่แล้วเนี่ยบางคนมีไปเรียนบิ๊กเกลียดมันสิ่งทั้ไหนายเกิดจะเกิรยาแต่ถ้าเห่นของมันยังมีมันก็มีอยู่หน้าที่เราไม่ได้ปฏิกิรียาหน้าที่ของเราก็คือรู้ทุกสิงทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไราเป็นมัวหรอก็แก้มัวไม่ใช่ชั้นมัวนะ มือแก่ปรุงต้านไม่ใช่จันทรุ่ง้านนะเรื่องของแกเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าใจตึงๆอย่งนี้นะการปฏิบัติง่ายไม่มีความมั่นเสื่อมอีกต่อไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโ็มัวแล้วจะทํายังไงไหายมัวโกรธแล้วทํำยังไงจะไห้โกลธหรือทำยังไงจะไม่กลรธอีกคิดใจจะทำธรรมะไม่ได้คิดให้ทำเอาธรรมะไว้รู้เขาถึเรียกว่ารู้ทำเขาไม่ใช่บอกให้ไปทํำทำนะ ให้เป็นรู้ธรรตอนนี้จิตเป็นยังไงตระนายบังคับอยู่กรับไหมเราบังคับไม่ น, ใ น, ใ น, ในิดรู้ทันะ น, น, น, นะมาภาษาไทยว่าพี่มาพิจารณอก็พูดไทยได้ก็ได้เลยนะไ ม, ไ, ยนะไม่ได้ก็ถามได้แต่ตอบไม่ได้นะ <c oughs> การทำจิตให้นิ่งเรื่องของการทําสมถะมันนิ่งได้ช่วงกลางเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งมันมีวิธีอีกทางหนึ่งคือทําให้เกิดปัญญาต้องหัดดูดูใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันดูใจของเราแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเช่นวันนี้นตื่นขึ้นมาสดชื่นวันนี้ที่ตื่นขึ้นมาเมื่อยิตดูแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกัน เาไปดูแต่ละษณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเส้นพ้นก็ชมใจกระพร่องถูกเพราะว่าใจก็เดือดขึ้นฮัทูทีละขณะฮัทูใจของเราบ่อยๆนะพอสติโดยสิ้นเกิดแล้วมันจอใจจะตั้งมั่นเองให้ผมบอกว่านี้ก็่งพุตกกันบ้างเดีนี่ยต้องใส่ใหม่นะแล้วก็คนแก่นะอะไรก็หลั่ยานวมดหรือยกไม้หู ูตัวเองเลยว่าที่ร้าจะฝึันามนางที่ต้องรู้สึกถารท่นันฝันฝันฝันฝันฝันันฝันฝันฝันันฝันฝันฝันันฝันฝันฝนััน อย่างหลวงพ่อพุทธเ้นล่าให้ฝัง่อยก่อนเนี่ยบอมีสถาปนิกคนนึงออกแบบอะไรที่ยากมากเลยแล้กนึกๆออกลูกค้ามีความต้องการที่ทํายาได้คิดยังไงก็ไม่ออกนะหนึ่งแกก็นั่งสมาีิของแกไปแล้วแกก็เห็นขึ้นมาเลยแต่มันอธิบายไม่เสร็จเลยว่าต้องทำอย่างนี้มันอธิบายมูนสอนให้เลยแกก็ไปรากตามที่มันสอนแนั่นเป็นเรื่องของสมาธิส่วนที่ว่า เหลื่อนานหรือยาวเนี่ยต้องฝึกวิธีฝึกก็คือต้องทําตามรูปแบบอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติมาช่วยเช่นเราหัดพุดโทโธก็ได้ทุกวันต้องว่ายปลานะให้ปลาสวดมนต์ทำสมาธิเรียนจงกรมต้องทำอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทีก็ดีแต่ต้องมีสัจจะอย่างตั้งสัจจะว่าทุกวันต้องปฏิบัติสิบนาทีจะเป็นจะตายหรือผตายต้องทำแต่ว่าอยาตั้งเยอะนะ ตังนี í, nói, ้นหน่อยหน่อยั้งเยอะว่าทุกวันต้องนั่งห้าชั่วโมงนั่งไม่ได้แล้วใจปอดแต่ว่าถ้าเราตั้งไว้สิบนาทีเราทําได้ชั่วโมงกําไรที่ทุกวันเราก็ทําในรูปแบบที่การทําในรูปแบบมันจะมีสอแบบแบบหนึ่งทําไปเพื่อความสนุกเช่นเลมหายใจหายทิ้งโต๊ะหายดูดท้องป่องยุบอะไรนี่ให้ใจมันแนบเข้าไปแนบกระลมหายใจแนบกระเท้าแนบกระท้องอะไรเงี้ย ให้มีแน่ให้สบายสบายต้องแนบอย่างสบายนะเคล็ดลับอยู่ที่สบายถ้า แ, แนบลงไปอย่างสบายนะใจจะสงกนี่แบบหนึ่งอีกงานหนึ่งแค่วันนั้นจิตใจของเราสงบดีอยู่แล้วอย่าไปนั่งอย่างนั้นเสียวเวลาหัดรู้สภาวะนั่งเพื่อหันรู้สภาวะ่เช่นดูท้องของยุคหรือพุทโธหรือหายใจนะจิตแอบไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามนะแค่รู้ว่าดีไปจิตไปเพ่งท้องเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งนะั้น ตอนนี้จิตเึ่งอยู่ซั้นไหมถ้าไปเกอะกลึกก็ไปไเฉยๆเลยหูีกออกไหมไม่รู้สภาวะนะรู้ทุกวันต้องซ้อมการที่เราซ้อมดูสภาวะเนี่ยมันจะทําให้สติเกิดเร็วคล้ายๆนักมวยซ้อมชกอะ่ออะต้อซ้อมซ้อมชกกระสอบบ่อยๆ อ, ยอยะอ่ม่ไออกหมัดเร็วสตินี้ก็ต้องซ้อมรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติเกิดเร็วเด็ดพิ้งการทําในรูปแบบ น, น, นั้นที่เกียนหลัง นกว่าอย่างเด็กนะเกิดแค่เดียวก็จแก่อย่างคุณน้อยคุณน้อยได้รู้จักหลข้พ่อมานานตั้งแต่ยัเด็กๆเลยได้มีอสการักงอยอมใลอยไปแล้วทัไหมมากี่คนเป็น้าไหนไหนแสดงพลังชีพขออยู่ตัวด พวที่เหลือนะก็ไปให้คุณน้อยสอยนเราเนน้อยก็ก็ภาวนาไปเนี้ยสติต้อเกิด น, นะพอสติเกิดแล้วมีหน้าที่ตามนู้นตามนู้นเรื่ไปดูทีนับปฏิบัติที่แท้จริงเนะใจอะไม่เป็นสติบักกะสิ่งแวดล้อมบางคนใจยังเป็นสสปฏิบัติกกะสิ่งแวดล้อรู้สึกอยู่บ้านภาวนาไม่ดีอยู่ว้านึ่งจะดีแต่จริง อ, งอยู่บ้าน จิตใจฟุกงต้านฟุกงต้านก็สอนธรรมะอยู่วัดจิตใจสงบความสงบก็สอนธรรมะเท่าเกี่ยวกันถ้าใจเราเป็นกลางแค่อย่างเดียวอยู่ตรงไหนก็มีความสุขใจไม่เป็นกลางเราจะต้องดิ้ในใจไปเรื่อยเช่นเราไปอยู่วัดนี้จิตสงบมันสบายมีครูบาอ า, าจารย์เป็นร่นโตร่มใสครูบาอาจารย์ไม่อยู่เึงไวดล้อมเก็บไม่สงบไม่สบายเราต้องดีอีกแล้วดีไปหน้าที่ใหม่ จะตายอยีกสักพักหนึ่งก็ต้องหนีไปอีกชีวิตเลยต้องหนีเรื่อยๆนั่นคือน้อยแต่ก็ต้องอยู่บ้านนะทำมาที่บ้านนี่แหละทํามากทาผลไปนในบ้านนี่แหละมันทําได้ทําได้นักปฏิบัติต้องไม่เว้นวักนะนกถูกไหมนปฏิบัติต้องไม่เว้นวักแค่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างการเจริญสติต้องทําให้มากให้สุดยิ่งมากยิ่งดี เมื่อก่อนหลวงพ่อมีคนมาตามหลวงพ่อเดิน2องเดือนกับผู้ชายเ้านั่งอยู่ตรงแถวที่สามามหลวงพ่อบอกผมอยากเดินจงกรมเดินยังไงตอบอกงั้นมาเดินโชว์กล้าเดินไหมกล้าออกมาเดินโชว์ตรงนี้ตอะนั้นคนเต็มตลาดเลยนะนี่หนุ่มนี่ก็ใจเด็ดนะออกมาเดินจริงๆลุกขึ้นจากตรงนั้นนะก็ย่อ ง, องแหวกคน อ, อกมาพ่อบอกหยุด ก, ก่อนทาไมตอนที่เดินมานี้ไม่มีสติ ก็คิดใช่ไหมว่ายังไม่ใช่เวลาปฏิบัติตอนนี้เดินมาอย่างนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องเข้าทางจงกรมก่อนถึงจะเป็นเวลาปฏิบัติที่เราแยกชีวิตของเราเป็นสองตัวนนะชีวิตเวลานี้เอาไว้ปฏิบัติเวลานี้เอาไว้หลงเล่นๆใช้ไม่ได้นะถ้านักปฏิบัติคนใดยังแยกชีวิตเป็นสองตัวแล้วก็อย่าพูดเรื่องมรคนิพพานในชีวิตนี้เลยยังอีกไกลแต่ถ้าเราล้อมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงปกติที่ได้ ไม่ต้องพูดเรื่องว่าผลนิพพานหรอกใกล้ที่เดียวไม่ต้องไปพูดถึงมันเสียเวลาหลบกามแล้วก็คือห้ามพูดทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ทั้งใกล้ัไกลพูดมากมอย่างเป็นบ้าแล้วพอห้าวเดินต่อมาตอนนี้เดินมาแบบไปรู้สึกตัวแนละ้ไม่กล้าเดินใจลอยสะเปะสะปายอย่างนี้แล้วเดินมาเจอหัวทางจงกลมพอมาถึงตรงนี้พุบสิ่งที่ทําก็คือก่อนจะเดินต้องวางกอม บอใครเขสอนให้เดินจงกลมแบบนั้นเพื่อเจ้าไม่เคยสอนเลยนะเอาพิสูจน์ั้งหลายสเต็ปที่หนึ่งวางฟอมางฟอมให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยเดินไม่เคยสอนเลยนะเอามาจบกลมแปลว่าก้าวไปทุกก้าวที่เดินต้อ็มีสตินี่ว่าเดินจงกลมทั้งหมเลยจะเดินท้ามถนนเดินข้าวบิ้งเดินอะไรนี่ก็เดินจงกลมได้แั้วนะถ้ามีสตินี่สิ่งที่นี่สนุ่มคนนี้ทําผิดมีสองอันอันที่เด เรียกให้เดินออกมาเรื่องไม่มีสตินี่ความผิดอันแรกขาดสติเมื่อไรขาดสติไม่ได้ขาดการปฏิบัติไม่มีอะไรเลยทั้งสมถะและวิปัสสนาอันผิดอันที่สองก็คือพอเริ่มต้นปฏิบัติก็บังคับตัวเองการบังคับตัวเองเรื่องอักตากิลมัามุโยคคือผิดด้า น, นได้สมถะแต่แข็งแข็งชื้นชือนริ่งๆเป็นนี่คือความสุกตงของด้านที่พระพุทธเจ้าให้ แต่นะักปฏิบัติชอบชอบนะยิ่แข็งได้ที่แล้วก็ดีได้ที่เลยมีข้อสังเกตอย่างนะเราชอบวาดภาว่าปฏิบัติแล้วต้องไม่เหมือนคนธรรมดาคิดว่าอย่างคนตื่นไปถ้าเป็นพระละหันนะมันมันยจะต้องนิ่งๆไม่รู้รอนรุนหนาเป็มองอะไรดีนะก็ต้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าพระละหันผู้องค์ต้องมีกิริยาท่าทางเหมือนกันหมดเลย ตุ้เจ้าก่าปรับสอบอกว่าความคุ้นเคยทางกายทางวาจาที่เรียกว่าสนาไม่รักนะไม่ได้รักนะเพราะฉะนั้นราชหันพาะองค์เคยเดินไปกระโดดกระโดกกระเดงอะไรก็กระโดกกระเดกอย่างนั้นเลยไม่ใช่พุ่งองค์เรียบร้อยนะไม่ใช่เลยพระอเคยวาจาเคยเรียกคนอื่นว่าให้ถอยให้ถอยก็ติดปากเรียกไ้ถอยหรือถ้าอายุของเรานี้ชอบด่าแม่กันด่าพ่อขันเพื่อนสนิทถ้าติดปาก ไม่จะตาแม่ด้ืยความติดปากนิดนึ่แต่ว่าไม่ใช่ขับหยาบใจนี้ไม่อยากเฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วทุกคนจะยังมีท่าเคลื่นเหมือนกันหมดทําทุกสิ่งเหมือนกันหมดกินอาหารท่าเดียวกันหมดนั่งท่าเดียวนอนท่าเดียวเันมไม่ใช่เลยใครเคยเดินกระโดกกระเดกกระเดกข้างไหนก็กระเดกข้างนั้นแหละเคยทําท่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้มีการดัดแปลงเลยนะเพราะว่าท่าละหารไม่ได้คิดจะเล่นละคร ไม่ได้คิดจะวางขอมให้คนก็นับถึงด้วยเคยชินทางกายอย่างไงก็จะเป็นอย่างนั้นเคยชินทางวาจาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนี้มีพวกเรามักจะลืมขัมตอนพวกนี้ไปนะเราคิดว่าถ้าเป็นท่าอาหแล้วต้องโอ้ไม่มีกิเลสเพราะงั้นมันๆ น, น, นั่ง น, ง น, งนิ่งๆเราไม่มีกิเลสหารู้ไม่ว่าที่คิดว่าจะต้องนั่งนิ่งๆนั่นแหละกิเลสเรียกว่าทิฏฐิมีแต่ความคิดความเห็นว่าต้องอย่างนี้ถึงจะ ด, ดีต้องอย่างนี้ถึงจะถูกนั่นแหละกิเลสล่ะ กหลายคนมาถามงขผมก็จะไปไม่พาฝึกให้เหมือ น, นกันไม่ต้องเหมือนออกทางใครทางมันธรรมาฐานอะไนใครถนัดอะไรเอาวันนั้นเละแต่ต้องถูกหลักเริ่มตั้งก่อนจะปฏิบัติระหว่างปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วต้องถูกหลักก่อนจะปฏิบัติหรือเริ่มต้นที่โรคะอยากปฏิบัติแล้วกําหนดหรือเปลหรือว่าสติเกิดระลึกรู้ขึ้นมาเองเพราะว่าจําสภาวะได้จุดตั้งต้นก็ไม่เหมือนกัน หลายคนตั้งต้งงนด้วยการหับคำเหรอจุดตั้งต้นมันผิดปลายทางมันจะถูกหรือระหว่างทางาคนไปเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดวาปฏิบัติเก้าวหน้านะอย่างสอนเรื่องยานเดียวอะไรขึ้นมาโสรถยานไม่ได้เป็นอย่างที่สอนเลยยานเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่อาการทางร่างกายไม่ใช่ทางาดซ้ายทางาดขวาก็าบรรลุแล้วเดินตัวลอยตัวเบาเป็นเรื่องอาการของปีติใจหอมสมบับ ซึ่งแลนด์มาร์กระหว่งางขาคลาดเคื่อนพอปลายทางกว่าเวลาบารรลุมรรคผลที่ผ่านได้มีจิตจิตดับเวลามัาบารรลุมรรคผลมีจิตนะเรียกมรรคจิตผละจิตไม่ใช่ไม่มีจิตพอเสร็จแล้วพอบรรลุแล้วต้องกิริยาท่าทางอะไรเน่ะนิ่งเงียบเงื่อนเนกินก็มนไม่ใช่พระเจ้าสอนว่าวาสนาลักไม่ได้ความเคยชินทางกายทางว า, า, งาจามัลักไม่ได้ ก็ค่อยดูให้ดีนะมีศรัทธาป็นก็ดีแนละ้วล่ะแต่ว่าศรัทธารำหน้าปัญญาไม่มีมัน ล, ำลํำบากมันเหนื่อยไม่เอลิกต้องรู้ว่าตนา้นทางการปฏิบัติจริงๆอยู่ตรงที่หัดรู้สภาวะหัดรู้ไปหัดพุทโธก็ได้ ด, ดูลมหายใจก็ได้หัดมือท้องฟังยุ่ก็ได้หดยับมืออย่อนสายลมก็เขียนไม่ได้อะไรก็ได้นนเอาสัญลือนึงเรำมาเป็นเครื่องหัดรู้สภาวะ สภาวะที่หัดดูมีสองงานคือรูปประทับกับ น, นามกระทับานแรกหัดดูรูปก็ได้หรือจะหัดดูนามก่อนก็ได้แล้วแต่คนไม่สาคัญนีแล้วแต่จลนิสัยชอบในก็นั้นเช่นดูรูปเช่นดูท้องของอู่เห็นตัวที่กําลังคองตัวที่กำลังยุบเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถกดูจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูรูปเป็นรูปกายกับจิตแยกกันนั้นเรียกว่าแยกกายแย ก, แยกจิตออกจากกันตัวนี้เรียกว่า น, นามรูปป ร, ริเฉทยายา การที่เหนื่อยๆแยกกายกับจิตอตอกจากกันให้จิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูคนไหนหัดหายใจก็นั่งดูไอ้ตัวเนี้ยมันหายใจไม่ใช่เราหายใจมันจะถอดถอนความรู้สึกว่าเราบอกมันจะรู้สึกแกต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกําลังหายใจตัวนี้กำลังของุ่นๆตัวนี้กำลังเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูอยู่ตา่างหามันจะเห็นทันทีตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นก้อนผ้าเหมือนอุนยนตัวหนึ่งที่กระดุกริไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะ นี่อย่างนี้สิจะได้ว่ารู้สภาวะของรูปรู้ถูกต้องก็ปลอบถอนความเห็นผิดว่ารูปนี้เป็นตัวเราปลอดถอนได้ก็มีปัญญารู้ว่าไม่ใช่เรานะี่การหัดรู้สภาวะของนามธรรมเช่นรู้ท้องของยุบใจนิพิคิดรู้ทันใจเป็นเพ่งท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกิดโลภโกรธหลงปุกป้านหดหู่อะไรขึ้นมาคอยรู้ตามตามรู้ไปเรื่อยหัดรู้จัก ว่าเสอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงทุกล้านผลูโรคหลดหลงเป็นยังไงหัดรู้ไปเรื่อยๆกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูที่หัดดูรูปหายใจไปแล้วจิตนี้ปีคิดก็รู้จิตเป็นเพ่งหลงก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตโรคหลดหลงพุ่งกล้านน่นผลูก็ค่อยรู้เอานี่หัดรู้นานเมื่อหัดรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยสตินจะเกิดเองเกิดในชีวิตประจําวันนี่แหละ เช่นเราเดินเดินอยู่เราเห็นเพื่อนเราเดินมามันดีใจแม้มันเห็นความดีใจหรือเราเห็นเพื่อนเดินมาเราําลังเผลอเลยดีใจแล้วลืมไปก้าวขาไปจะไปคุยกับเขาพ อ, อรูปเคลื่อนไหวนั้นเราเฝึกว่ารูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้พอะขาเราขยับปับสติเกิดเองเลยรู้สึกตัวออตขึ้นมาเองพอสติเกิดขึ้นมาสมาธิจะเกิดเองใจจะตั้งมัน่นปัญญาจะตามมาคือเห็นทั้งรูปทั้งนามนี้ไม่ใช่ตัวเรา สิ่งที่ผ่านมาผ่านไปปัญญาแก่รอบจริงๆที่มุดจะเกิดคือปล่อยวางกายวางใจจิตก็เข้าถึงความพ้นทุกข์ที่เส้นทางเดินอยู่ที่นี่นะถ้าเรียนหนึ่งนี้แล้วก็มันไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ใช้เวลามากคนที่มาฟังหลวงพ่อด้วยความอดทนเนี่ยจํานวนมากอันนี้ที่ตื่นขึ้นมาเยอะๆพวกนี้ก็ตื่นเลยตื่นแตกไปหมดละพวกนี้จะเห็นเลยรางกายทิ่เส้นไปไม่ใช่เราจะเห็นได้จิตใจเนี่ย เป็ของที่บังคับไม่ได้มันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนไม่เคยอยู่ริ่งเห็นแต่ใจรักจะเห็นไปเรื่อยๆมันใจยอมรับความผิดร่างกายมีใจที่ไม่ใช่เรายอมรับใจค้อยตามสัจจะค้อยตามความผิดใจก็เข้าถึงความเป็นผิดนี่เส้เนทางเดินตรงนี้นะข้อเท่จเป็นบทเวลาตรงนี้ไม่มีเวลาตอบตําถามข้าไป ที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณยังกำลังทับเกรงใจยังสึน ง, งอยู่บ mm hmm. างใครจะถามถามเอยยกมือ mm hmm. ไม่ต้องไปใส่ชื่อยี่ห้อไม่สําคัญ mm hmm. เออรู้รู้สภาวะอย่างที่เป็นพอละ mm hmm. ไม่ต้องไปใส่ชื่อว่าอันนี้เกอดนนี้กาปรปฏิบัติพอละเอียดก็จริงไม่มีชื่อแล้ว แค่ว่าสัมจิงสิ่งบางสิ่งเร็ดขึ้นแล้วก็สิ่งนั้นกะดับไปยังบังคับอยู่รูกไหมยังบังคับตัวเองขนาดจิตเนี่ยยังควบคุมตัวเองยังปมตัวเองไหมรู้ออกเปลากปค่อยสจะเกตนะแต่อย่าชื้นื้นเลยนดียวรู้สึกไนั่นแหละขนนั่นก็ยังบังคับอีจิไม่ใช่รต ใครรา้ไหมไปดูเขาหรือตัวเองรู้ไหมห้าเบอรสี่ยังจะสูใจมากกว่าเมื่อกว่า แต่งนเราฝึกไปจนเริ่มกลุแต่งนะไม่ใช่กลูแต่งเก่งเพราะฉะนั้นรู้ไปรู้สึกไหมตัวที่กำลังนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อดูจิตไม่ออกก็ดูกาวันไหนดูกาไม่ออกทําสมาธิไม่มีแนวรูปกนะรับนะจะทำารศาสตร์จิตใจแช่นชื่นเกิดบางรู้ว่าแช่มชื่นเกิดบางให้กลัมาดูจิตได้ละวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไ เห็นในตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนนี่ไม่ใช่เราดูอย่างนี้ได้เรืยดูกายไม่ไหวทําสมรรถใจกระจายออกมาข้างนอกจากกินไปหลบไหมใจไม่ตั้งมัน่นใจมันไปรู้อยู่นอกๆใจอย่างนี้จะสบายสบายแล้วจะเพลิดเพลินจะพอใจมีความสุขอยู่แค่นี้แล้วจะไม่อยากเดินตอน่อจะขี้เกียจ น, นะ ในขี้เกียจที่จะมารู้กายรู้ใจมันเป็นใจที่หลุดก็เป็นในช่องที่สบายใช่ไหมสึกไว้โล่งๆสว่างสาๆ ส, สบายทั้งวันแทบจะไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเลยใจมันหลงอยู่นะใจมันเคลื่อนออกไปนอกไปออกไปนอกไปไม่ตั้งมั่น <S <S 1> <S 1> ให้รู้ว่ากําลังสงสัยไม่มีหลอกสายกายสายจิตนะไอ้นั่นเป็นขั้นเริ่มต้นเพื่อให้เกิดสติ เมื่อสติเกิดแล้วไม่มีสายหนสายไหนแลวบางครั้งสติรู้กายบางครั้งสติรู้จิตบางครั้งสติไปทาสมาธินอนแรกไมได้หวเล็กเึงแม่ถามแทนไได้ยาทงมาก็รูว่ีนมาเรยนมาทำงานมาทำงาถูกต้องนะในโลกนี้ไม่มีคนตื่นมีคนแต่ตื่นแต่ตัวในใจฝันทั้งวันทั้งคืน ฝันตอนกลางันเเรียกว่าคิดนะคิดตอนที่หลักเขาเรียกว่าฝันถูกต้องาเด็กมันเห็นง่ายในความซื่อผู้ใหญ่ปฏิบัติแบบไม่ซื่อปฏิบัติแบบเมื่อตายชั้นเชิงมากมันเลยยากเด็กมันรู้ซื่อๆนะไปเก็ไม่เด็กจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรือผู้ใหญ่เรียนรู้อะไรได้ช้าที่เรียนรู้ได้ช้าเพราะว่าของเก่ามันเยอะเกินใจมันไม่เปิดที่เรียนอะไรใหม่ๆ น้ำแก้กามีอะไรไยมสองคนตันนี้จิต ด, ดีกว่าเมื่อวานรูอ้อกไหมเออดีดีที่รู้แต่ว่าดีก็ไม่เที่ยงนะนัดละอืะะ อ, อเออเปนเดือนถ้าตายตอนนี้จะเป็นไหนล่ะรู้ได้ยังไงว่าจะยังไม่ตาย เออเนาะมาต้องรู้บ่อยๆนะอันตรายที่สุดเลยจิตที่เหลอเนี่ยเป็นจิตที่หลงมีโมหะถ้าเราตายด้วยจิตตรงนี้เราจะไปเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดเราคนรู้สึกเป็นสัตว์ดีเป็นหมาหมาพลังแพงแงมีคนเอาใจนะแต่มันเป็นหมานะยังไงมันก็ไม่ดีหรอกต้ารู้สึกนะรู้สึกไหมหลวงพ่อเชียงรู้สึกไหมน้อยมีอะไรไหม เด็กๆที่มากันคนน้อยอะ่ะสติมันยังไม่เกิดต้องค่อยๆฟังนะฟังดีไปฟังฟังบ่อยๆดีๆหลงข้อนะรับรองไม่เหมือนของคนอื่นนะฟังแต่รับฟั้งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกคือเราฉิดการตั้งครรภ์ตัวเองมันไม่ใช่ปุถุสุนแนท้ๆมันเป็นการที่เราอยากมีอยากปฏิบัติเราก็เลยควดคุม มีการเราควบบุ้มไว้จนเคยชินมันจะบังคับอัตโนมัติเปงเกณฑไหมพอเราบังคับมากเข้ามากเข้าเนี่ยร่างกายก็นิ่งนิ่งจิตใจก็นิ่งนิ่งไม่แสดงใจรัก ไ, ได้แต่ความสงบไม่ได้ปัญญาดังนั้นให้เราวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะหลุดจากตรงนี้คนะือเริ่มปฏิบัติใจกล้าออาากคําว่าปฏิบัตนะิน่เหมือนผีที่หลอกหลอนเรามากเลยเราแปลคนไทยไแปลว่าปฏิบัติว่าทํา คำว่าปฏิบัติภาษาบาลีไม่ใช่เพื่ว่าทำนะปฏิแมาว่าเฉพาะคำว่าปักเรียนหมาว่าถือถึงเฉพาะหมายถึงรู้เฉพาะน้ากแค่นั้นเองแต่เราชอบไปบังคับเราชอบไปกําหนดชอบไปบังคับกําหนดถ้าปนานนี้ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าหนักกว่นี้บางคนที่คนพิการาคนเทียนนะเราไม่ระวังมันั่งแก้กันยากคำว่าเวหวาน ยังก่ทนะพอที่นออี่เียาเนเงที่นดไม่โาที่่ยนะู้ที่่วใจแล้กใจาที่จะหวานวานรู้สึกมตอนี้จิตใจของวันเหมือนอยู่ในโลกธรรมดาเป็นคนที่กลับมาอยู่ในโลกธรรมดานี่อะไรดีที่สุดน เราจะไปคืกิเลสมากนัเราขันแรกเราตั้งใจไว้ก่อนว่าเราไม่ผิดศีลห้าก็ไปคืนกิเลสขึ้นมาการวิ่งเลยการวิ่งคือการหลุดตาไม่เป็นไรตอนนี้ยอมๆยก่อน แต่ว่ า, าดีแล้วล่ะที่หวานกลับมาอยู่ในโลกของคนธรรมดา อ, มอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในโลกข้างในนี้ผมไารว่าหน่อยนมกันหรว่ารางเราก็เหวยเรื่อง่อ่อนไม่ด้แข็งนิดหนึองแต่ดีแล้วตอนเนี้ยหวานได้หลุดออกมาจากโลกที่แต่ดีสงบงเงียบสวยงามภายในนะ อันั้นไม่ดีหรอกถ้าเราอยู่ตนั้นเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเป็นแมลงแมที่มาแล้วเกอยู่ในตัวดมตก้นหมาววลยว่าเขาอยู่ตรงไหนพอดีดีเลยโย บ้านนะก็เปิดน้ำให้มันแล้วแลต้อง uit, เจ อ, อ, อ, อมาได้เเยอะนะอยที่้มาแปลงเลยนะแล้วก็ต่่นดแล้ว เกิดเหตุการณ์ที่เรามีสติมีปัญญารู้ตื่นขึ้มนมาเนี่ยเป็นส่วนใหญถึงหวานจะไปทอะไรตายนะยังน้อยกว่าที่ซาอคุครีมานไปทาคนตายซาอุครีมานก็ฆ่าคนตายไปเยอะแต่พอมีสติมีปัญญากตัวรอดได้มีทางรอดกวาน ะ, จะเจริญสติไหมเตัวเองอ ในตำราเนี่ยนะบอกไว้อย่างนี้จะทำประเดื้อแผลบางเราไม่ค่อยสังเกตสังสนบกคนที่ทําผิดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าผิดเนี่ยจะเกิดอักขุสุนน้อยโดยคนที่ทําผิดแล้วคิดว่าทาถูกมีอักขุสุเยอะเ้นควาที่ทำผิ ด, อ, ด อ, อยู่นะเพรานหวานรู้ว่าหวานทําสิ่งไม่ถูกต้องอกนะ็อยางดีนะยังรู้ผิดชอบชั่วดี เมื่ิตใจของเราครอบคล้องที่จะเป็นผู้ส่ง่ายแต่ถ้าไปฆ่าเขาไปตีเขาแล้วรู้สึกว่าไม่เ็ยคิดอะไรเลยอย่างนี้แก้ยากบาปหนักเอแ่รอึงรู้สึกว่าแกเ็อาเออเอแต่ฆ่าอย่างสบใจปรากว่าเรือ ตรานี้เอ่อที่ส่วนสรูสนจะทาไปส่วนอากสูนสนไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อเอะหลวงพ่อแน่นแต่บ้างทํครับวันนี้เป็นครูดสดตันนี้พอสมควรจ น, นกันบ้า